ทุนฟังที่เคารพคะได้เวลาพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนอีกแล้วนะคะเรามีประสงค์อยู่ในรายการสองรูปเริ่มต้นด้วยพระมารคชาคาวโรในส่วนของการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะแล้วฟังประสูตรที่ท่านมาร์คได้เลือกนํามาอ่านให้ฟังส่วนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้ก็คือการตอบข้อสงสัยต่างๆของท่านผู้ฟังรายการและบางครั้งดิฉันก็หยิบยกขึ้นมาเอง ด้วยการที่พระภัยบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีเนี่ยนะคะท่านก็จะนำเอาพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตอบคำถามค่ะพบกับท่านเลยนะคะนรมัสการค่ะอาจารย์พรค่ะวันนี้เห็นท่านบอกว่าเรื่องมยราบเนี่ยยังมีผู้ที่สงสัยตาม <c oughs> <c oughs> ไปถามกับท่านต่อใช <c oughs> ค่คือท่านฟังที่เคยฟังรายการมาก่อนก็คงจ ะ, จ ะ, จ, ะจะท้าความให้ฟังนิดนึงค่ะ ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงสังขารที่คับที่มีวิญญาณครองกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณกรองใช่ไหมแล้วคุณสรนชนีก็ได้เปิดประเด็นถึงเรื่องว่าเออแล้วมายราบเนี่ยที่พอราเราไปแตะมันแล้วมันหุบได้เนี่ยมีวิญญาณกรองหรือเปล่าเราก็เลยเปิดประเด็นเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ปฏิบูชาขึ้นมาเราก็ได้อธิบายเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้ว่าอ่ายังไม่ค่อยจูใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ฟันธงไปว่าแล้วไอ้เจ้ามายราบเนี่ยมันมีวิญญาณกกรองันนแ ก็เลยจะใช้เวลาตรงน <oh ี้เนี่ยสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยอันด yup. ับแรกก่อนเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามีภิกษุผู้หนึ่งชื่อสาติตภิกษุสาติเนี่ยไปเที่ยวประกาศว่าโอ้วิญญาณนี่แหละเป็นตัวที่เล่นไปเกิดพบนั้นพบนี้มีความเป็นอย่างนี้คุชเจ้าเลยเรียกมาสอนอืมเราไม่เคยสอนอย่างนี้เธอเอาข้อมูลนี้มาจากไหนถามภิกษุอื่นที่นั่งอยู่ในประชุมอยู่ในที่เดียวกันถามว่าเออเราเคยสอนอย่างนี้ไหมไม่เคย นะ <Okay. S 2> พิสุเหล่านั้นยืนยันก็เลยมาสอบถามสาธิว่าเธอเห็นผิดอย่างนี้เป็นโมฆะบุรุษเห็นอย่างนี้ไม่ถูก <Okay. S 2> ถ้าเรายังเห็นว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยเป็นสปิริตแบบดวงๆเที่ยวไปเที่ยวมาแบบพิกสุสาธิเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ <Okay. S 2> เราต้องเอาความเห็นนี้ออกไปก่อนวิญ ญ, ญาณคืออะไรนะเดฟ i ิชันหรือความหมายของวิญญาณที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยคือสิ่งกิริยาที่รู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณรู้ได้ว่าซึ่งอะไรรู้ว่า ความร้อนความหนาวรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเป็ีมันพวกนี้รู้ได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าไมาราบเนี่ยเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเออเรายกตัวอย่างมีเด็กน้อยคนหนึ่งไปเล่นมาราบอุ้ยหุบอุ้ยหุบดีใจ <Okay. S 1> เขามีความวิญญาณคือตัวรู้ของเด็กคนนี้เข้าไปยึดถือในไมาราบว่าอันนี้เป็นต้นไม้ของฉัน <Okay. S 1> เด็กคนอื่นมาเล่นไม่ได้ฉันจะห้ามฉันจะตีเขา แสดงว่าต้นไมยราบเนี่ยมีวิญญาณของเด็กคนนี้เข้าไปยึดถือเอาแล้ว <c oughs> เข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนนะเมื่อไรก็ตามที่เด็กคนนี้คลายความพอใจกำนัดยินดีในไมยราบได้ไมยราบนั้นก็เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณของเด็กเข้าไปยึดถือหรือครองเอาค <c oughs> ่ะอ่านี่คือเป็นแต่ละขนาดจิตนะค <c oughs> ่ะอ่าเพราะฉะนั้นในกรณีของไมยราบมีมีวิญญาณครองหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจะเอาวิญญาณของใครมายึดครอง นะการยึดถือตรงนี้เนี่ยาธาตุคือไมยราบเป็นาธาตุดินใช่ไหมาธาตุดินของมยราบเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับวิญญาณของเด็กเนี่ยก็คือาธาตุดินเป็นภายนอกะนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงาธาตุดิน2ลักษณะาธาตุทั้ง5อย่างเนี่ยแต่ละอย่างมี2ลักษณะคือาธาตุอันเป็นภายในเฉพาะตนและคือมือของเด็กแขนของเด็กขาของเด็กหัวของเด็กเนี่ยเป็นธาตุดินอันเป็นภายในเฉพาะตน มีวิญญาณเข้าไปยึดครองคือวิญญาณของเด็กคนนี้เข้าไปยึดถือเอาโดยความเป็นตัวตนอยู่วิญญาณของเด็กคนนั้นก็เหมือนกันไปยึดถือเอาธาตุดินอันเป็นภายนอกในกรณีนี้คือต้นไม้ราบว่าเป็นของฉันมันมีฉันก่อนนะถึงมีของฉันถึงเหรอไหมพอมีฉันตัวฉันแขนฉันขาฉันหัวใจฉันปอดฉันนั่นไม้ราบของฉันข้างนอก เพราะฉ ะ, ะนั้นไมยราบเนี่ยเป็นสังขารที่มีวิญญาณของเด็กเข้าไปครองอันเป็นธาตุภายนอกน ะ, ะต้องแยก2ประเด็นทีนี <c oughs> ้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อตัวไมยราบเองเนี่ยไม่มีวิญญาณอันเป็นภายในธาตุไม่ได้เป็นธาตุดินอันเป็นภายในของใครแต่เป็นธาตุดินอันเป็นภายนอกที่วิ ญ, ญญาณเข้าไปยึดถือได้ S <S นะแล้วทีนี้นี่เป็นเรื่องที่บอกกับพระราหุล น, นะว่าถ้าดินน้ําไฟลมเนี่ยอันเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามเนี่ยบุคคลควรตามเห็นโดยความเป็นของโดยความด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา <S <S ยกตัวอย่างเช่นคนทั่วไปจะเห็นว่าแขนขาบอดี้ของเราตัวของเราเนี่ยเป็นของเราน ะ, ะเอามีดมาเฉาะที่ข้อมือส่วนที่หลุดออกไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่ของเราส่วนที่ยังอยู่ใช่ของเรานะอ่ะตัดลึกเข้ามาหน่อยมาที่ข้อศอกส่วนที่หลุดออกไปแล้วไม่ใช่ของเราส่วนที่ย nah. ังอยู่เป็นของเรานะอ่ะตัดไปที่ที่ไหล่ส่วนที่หลุดออกไปแล้วไม่ใช่ของเราส่วนที่ยังอยู่เป็นของเรานะนะแล้วก็มาตัดที่ไหล่ข้างขวาตัดที่โคนขาข้างขวาตัดที่โคนขาข้างซ้ายจนเหลือแต่ตัวเปล่าๆส่วนที่หลุดไปแล้วไม่ใช่ของเรานะส่วนที่ยังอยู่เป็นของเรานะตัดมาจนถึงสะดือตัดมาจนถึงอกตัดมาจนถึงคอตัดมาจนถึงตาจนเหลือหน้าผากนิดเดียว ที่หลุดออกไปแล้วไม่ใช่ของเรานะที่ยังอยู่เป็นของเรานะเอา้าเหลือนิดเดียวยังเป็นของเราแล้วตัดไปหมดเอาตัวเราอยู่ไหนไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราบอดี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วทำไมเรายังมีความรู้สึกว่าเอานั่งอยู่ตรงนี้มีรู้ลมหายใจอยู่ก็ตามหรือว่าฟังทําอยู่ก็ตามนี่มันตัวเรานะเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราก็นั่นนะ่ะซเพราะว่าเราถูกจิตหลอก พระพุทธเจ้าพูดถึงว่านานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเมื่อจะยึดถือก็มายึดถื อ, ถอเอารูปเนี่ยเป็นของเรายึดถือเอาเวทนาเป็นของเรายึดถือเอาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราจึงมีความทุกข์ไงแล้วยังแนะนําอีกนะว่าเอาอย่างกายเนี่ยมีแขนขาตัวปอดหัวใจตับพวกเนี่ยบอกว่าถ้าเธอยึดถือเอากายเป็นตัวตนนะยังดีกว่ายึดถือเอาจิตเพราะว่าอย่างที่ว่าไงพอตัดออกไปแล้วเนี่ยจนพบว่า โอ้มันไม่มีอะไรจะให้ตัดแล้วตัวเราไม่มีจริงๆนะยังคลายความกำหนัดได้บ้างยังคลายความพอใจในกายนี้ได้บ้างแต่ถ้ายึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนแล้วไม่ดีเลยเพราะว่าจิตเนี้ยมันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตล อ, ตลอดอันตลอดคืนนะเกิดมาแล้วพาเราไปเกิดไปตายเนี่ยนบนับพบนับชาไม่ทั่วเพราะฉะ น, นั้นวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่จะก้าวลงในนามรูปนี่ต่างหากแล้วก็ท่านพระสารีบดีก็ยังพูดถึง นามรูปกับวิญญาณเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนไม้อ้อสองครรมพิงกันอยูนะ่เป็นคู่ที่สลับไปสลับมาได้วิญญาณทําให้เกิดนามรูปนามรูปทําให้เกิดวิญญาณเท่านี้เท่านี้ตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้ยังยังอธิบายเรื่องของยกตัวอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่ง <Okay. S 1> ใช่ไหมตัวสามีเนี่ยรักภรรยามากเลยเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นนะ <Okay. S 1> ก็มีความยึดถือในตัวภรรยาว่าอูนี่มือของภรรยาแขนของภรรยาขาของภรรยาหน้าต่างของภรรยาเป็นของฉัน ภรรยานี่เป็นของฉันสามีเนี่ยมีธาตุธาตุทั้ง4อันเป็นภายในเฉพาะตนของตัวเองอยู่แล้วก็ไปยึดถือธาตุอันเป็นภายนอกของภรรยาเพราะฉะนั้นตัวภรรยาเองเนี่ยมีวิญญาณธาตุอันเข้าไปยึดถืออยู่2 อ, อย่างคืออันเป็นภายในเฉพาะตนของตัวอันหนึ่งกับวิ ญ, ญญาณธาตุของสามีอันหนึง่งเหนือไหมยึดถือว่าโอ้อันนี้เป็นภรรยาของฉันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าทําไม สามีเนี่ยถึงเอาวิญญาณของตัวเองไปก้าวลงในธาตุอันเป็นภายนอกของภรยาได้ก็เพราะว่าวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนามคืออะไรรูปคืออะไรแลน้นนามก็คือสัญญา b e t w e เจตนาวิตตบมนสิการแล้วก็ภาษาเจตนานี่คือกรรมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนเนี้ยสามีภรรยากู้เนี้ยมีกรรมร่วมกันมาทําไมเราไม่ไปยึดถือกายอันเป็นภายนอกของคนอื่นละ่ะ <c oughs> นึกออกไหมก็เพราะว่าเราไม่ได้มีกรรมกันมาไม่ได้มีเจตนากันมา <c oughs> ตรงนี้เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ว่ า, อ, าอย่างรุกขเทวดาทําไมไปยึดถือเอาต้นไม้นี้เป็นเป็นที่พักที่อาศัย <c oughs> ได้นะหรือว่าเรื่องของคนทรงเจ้าเราก็ยังยกตัวอย่างเรื่องของการโคลนนิ่งนะว่ า, <c oughs> าวิญญาณที่จะเข้าไปยึดถือในในคันเนี่ย มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย <Okay. S 1> ก็คือพูดถึงเรื่องของกรรมนั่นเอง <Huh. S 1> นะเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเข้าไปยึดถือตรงนั้นแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นธาตุทั้ง4อันเป็นภายในเฉพาะตนของวิญญาณอันนั้น <Okay. S 1> จึงพัฒนาออกมาเป็นตัวคนออกมาจากขันได้ <Okay. S 1> อ, อย่างนี้เพรานั้นมายาลเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองหรือเปล่านะใช่ <Okay. S 1> ในกรณีที่ เป็นภายนอกแต่ถ้าสมมติพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะโดยที่มองไปแค่มายราบคือต้นไม้ชนิดหนึ่ง uh huh. ที่ใบสามารถหุบได้เมื่อมีอะไรไปกระทบเท่านั้นใช่มายราบไม่ใช่สังขารที่มีวิญญาณครองถูกไหมคะมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเอง โดยตัวของมันเองนะคือมันมีต้นไมยราบอยู่เฉยๆะ ค, ะค่ะอ่ามันค่ในซึมของมันก็ทําให้มันหุบได้ใช่เป็นเ พ, พราะโพแทสเซียมที่มันดูดถูก ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูดกลับเข้ามาใช่ไห ม, มากกาอันนี้เพื่อจะให้อธิบายง่ายเข้าเดี๋ยวคนจะไปสับสนว่าเพียงแต่ว่าเมื่อมาอธิบายในส่วนของว่าไมายราบที่เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นการที่จะให้ศึกษาในเรื่องของวิญญาณกับสังขารนะครเป็นการยกตัวอย่าง ให้ชัดเจนใช่ถ้าเรายังเห็นเห็นเรื่องวิ ญ, ญญาณเป็นเหมือนกับภิกษุสาติก็จะต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าโอ้วิ ญ, ญญาณต้องเป็นดวงดวงไปสิงในจิตนั้นจิตนีน้แต่ผิดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้นไมยราบทุกต้นมีวิญ ญ, ญาณเข้าไปสิงสถิตอยู่มันจึงหุบ ไ, ได้ไม่หุบได้อ่าค่ะ น, นั้นเป็นเป็นะระบบตามระบบที่มันปรุงมาพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าถ้ามีแขนขาจะต้องมีการเคลื่อนไหว่ถ้ามีท้องต้องมีอุจจาระออกมา ถ้ามีท้องไส้มีการกินอาหารต้องมีอุจจาระออกมาเพราะว่ามันเป็นผลของการที่มีท้องไส้ค่ะคือการเคขึ้นไหวเป็นผลของการที่มีแขนการที่ต้นไมยราบมันมีระบบมันอย่างนี้มันก็ต้องมีการหกั่นเลยเป็นเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วนะคะนะเป็นคนละเรื่องกันกันกบการที่จะไปมีวิญญาณกรองหรือไม่มีปัญญากรองค่ะแต่นั่นทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะให้ท่านศึกษาในส่วนของธรรมนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นเรื่องต้นไมยราบลำพังเฉพาะต้นไม้ไมยราบเนี่ยมันเป็นเรื่องของ สังขารที่เป็นแต่สังขาร<ช>แล้วมีระบบของเขาเป็นอย่างนั้น<ช>แต่ถ้าหากว่าท่านอยากเรียนรู้เรื่องวิญญาณเรื่องสังขารโดยเอาไมยราบมาเป็นตัวอย่างแล้วท่านก็จะได้ศึกษาว่าสังขารมีสองแบบคือสังขารที่มีวิญญาณครอง<ช>กับสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนะคะแล้วอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้จะมีเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ อย่างเช่นเปลี่ยนตับเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเนี่ยก็เปลี่ยนกันทั่วไปเอาทําไมมันมันเปลี่ยนกันได้บางคนเราไปสร้างหนังเลยค่ะท่านครับไปได้หัวใจคนนี้มานิสัยเปลี่ยนเป็นอีกคนนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนกันได้ถ้าเหตุปัจจัยมันเหมือนกันอันนี้อธิบายเรื่องของแฟรงก์ e n s t ค่ะเคยเคยได้ทราบเรื่องแฟรงก์ enstein ไหมที่ อา ว, วัยวะต่างๆของหลายคนมาประกอบกันแล้วเอาไฟฟ้าช็อตตืดๆเกิดขึ้นมาเป็นคนแฟรงก์ enstein นะว่าเอ้ยทำไมวิญญาณถึงมายึดถือเอาธาตุขันเนี้ยด้วยความเป็นตัวตนได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตดวงวิญญาณเนี่ยมาก้าวลงในนามรูปนี้ขอประทัานโทษนะคะทิฉันรูปผิวแฟรงก์ e n s t ์อยากทราบว่าแฟรงก e n s t ์นี่เป็นจินตนาการหรือว่าเป็น ตัวเป็นเรื่อ ง, งเป็นเป็นฟิคชันเป็นเป็นเอ่อเรื่องเล่าธรรมดาไม่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงยังทำไได้ในปัจจุบันไหน <ะ S 2> อย่างสมมุติเอ่อเขาเอาเอวัยวะคนนี้ตายเอาไปตัดขา ค, าคนนี้มาคนนี้ตายเอาตัดแขนคนนี้มาแช่แข็งไว้แล้วมาเย็บเย็บเย็บเย็บต่อเส้นต่อซสาอะไร้็มาเป็นตัวคนคนหนึ่งไอ้เซลล์อะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยฟังก์ชันเหมือนคนปกติแต่เอาอวัยวะของแต่ละคนมาประกอบกันแล้วจะมี วิญญาณอันไหนัหมที่จะก้าวลงไปในธาตุขานอันนี้ของแฟรง k เลนสไตน์แล้วขึ้นมาเป็นคนอันนี้เราวิเคราะห์ไม่ใช่แบบจินตนาการเขาแล้วแต่เรามาวิเคราะห์โดยการอ้างอิงอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแฟรง k เลนสไตน์ใช่ค่ะก็ทำได้ไหมทำไม่ได้หรอค่ะท่านแต่ที่แน่ๆนะคือหมอคนนั้นที่ทำการเย็บตัวแฟรงก์เลนสไตน์ขึ้นมาเนี่ยเขามีความยึดถือในร่างกายของแฟรงเลนสไตน์ อ๋อ<ม>อันนี้มีมีวิญญาณอันเป็นธาตุขันธ์อันภายนอกไปก้าวลงในนี้ละวิญญาณของหมอใช่ค่ ะ, ะความยึดถือของความรู้ของหมอเนี่ยเข้าไปคลองในตัวร่างกายของแฟรงเกนสไตน์แต่มันขยับไม่ได้ทําไมขยับไม่ได้เพราะว่าไม่มีวิญญาณอันเป็นภายในเฉพาะตนอันเป็นเฉพาะตนนะก้าวลงไปในนี้ค่ ะ, ะซึ่งก็ต้องศึกษาต่อไปว่าไอเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นธาตุทั้ง4เนี่ยอันเป็นเฉพาะตนเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ซึ่งในกรณีของระบบของมนุษย์เนี่ยก็คือต้องอาศัยคันมันดาใช่ไหมตอนที่จากาไซโกรดแบ่งเป็นเอมบริโอขึ้นมาซึ่งตรงนี้ต้อ ง, องอขอบคุณคุณคสมหรือไทยนะที่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่ า, าจริงจริงแล้วไซโกรด เ, เปลี่ยนเป็นตัดเป็นเอมบริโอนะแล้วก็เลยจากระบบของการแบ่งเซลล์ของเอมบริโอเนี่ยทำให้เกิดเป็นอวัยวะต่างต่างขึ้นมาตรงนี้จึงมีการยึดครองทาต ธาตุอันนั้นโดยความเป็นภายในเฉพาะตนเพราะมันแตงเซลของมันเองเป็นเฉพาะตนอันเป็นภายในซึ่งฟรัง k ก n s ไตล์จะไม่มีเห้ปฎิจัยตรงนี้ค่ะเหมือนท่านอาจจะคล้ายๆกับดิฉันนะคะเริ่มตาม <laughs> ตามได้ค่อนข้างช้าแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าโดยสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือเพื่อที่จะให้เราสามารถวิเคราะห์เองได้ใช่ใช่ไหมคะว่าถ้าจะเป็นอ่า เป็นชีวิตถูกไหมคะใช่เป็นชีวิตจะ uh, ต้องมีสังขารทีมญญ่มีวิญญาณก้าวเข้าไปอ่าวิญญาณครองนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตเอ่อ uh, ชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่สัตว์เนี่ยได้อินทรีค่ะได้อินทรียอินรียคือตาหูจมูกลิ้นกายค่ะอินทรีย์ต่างเหล่านี้สัตว์ได้อินทรีเหล่านี้มาจากไหนค่ะ น, นัมนุษย์ในลักษณะมนุษย์ก็คือได้จากระบบของคันในลักษณะของเทวดาวก็คือ แวบมาเลยอย่างี้เขาได้กายของเขาทีนี้บางคนอาจจะบอกแม้มันไกลตัวจะเอาใกล้ๆตัวก็คือว่าขอให้รู้ว่าที่เรายังมาทึกทักว่าไอ้นี่ของเราไอ้นั่นของเรานั่นเป็นเพราะมันมีวิญญาณก้าเข้าไปอยู่ในนามรูปของเรานั่นเองถูกไหมคะนะคะั่นก็คงต้องสรุปเท่านี้เพราะว่าทำไมนาฬิกาที่นี่เดินเร็วจังเลยนะคะพวกเรามีความเขาเรียกว่าอะไรอานานราเริงในธรรมค่ะเดฉันกาลังจะพูดเลยท่าน เมื่อวานโดนท่านไพบูบุญทวงนะคะดีฉันพูดตอนท้ายว่าฟังธรรมะเราเพลินเนี่ยท่านพูดคำนี้ไม่ได้เพราะความเพลินนี่อันตรายอย่างยิ่งเป็นกใช่ไหมคะต้องให้ใช้คําว่าร่าเริงในธรรมวันนี้เราก็จบกันด้วยร่าเริงในธรรมที่ท่านเพริบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกนํามาฝากพวกเราในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวัจนะในรายการสรนสนีสนทนากันละกันนะคะน้มสักการขอบนะพระคุณท่านไพริบุญแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพคะในส่วนของรายการของเรานั้นวันนี้มันลาได้สั้นๆเลยทิ้งท้ายอะไรไม่ได้มากก แต่ว่าฟังธรรมแล้วอย่าลืมใคร่ครวนธรรมแล้วท่านจะได้ร่าเริงในธรรมนะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ